บางคนที่หาว่าหลวงพ่อเนี่บังคับคู่เห็นบ่เมีนอย่างต่างหลวงพ่อมีความตั้งใจหวังดีจึงแนะนําให้เราใช่ไหมคันได้หวังดีกี่แนะนําให็นยังด่ไหมฟังแล้วจำไปปฏิบัติแม้อย่างไม่แนวฟังแล้วทิ้งคือโอ้หลวงพ่ได้ผลแล้วยังต่างวิธีปฏิบัติ ของพวกเขานี่นะว่าเป็นแก้การกระทำบ่เป็นบ่ถูกบ่หู่จักบ่เป็นมันก็บ่ถูกบ่ถูกมันก็แสดงว่าบ่หุ่นจักแล้วมันเป็นแนตะว่าเบื้องต้นเนีหนจักรูปน้มจริงจริงหุจักรูปน้ำเนี่ยกับหุจักสศพ ม, มุดหุ่นจักทุกอย่างกันอย่งพอเรื่องที่ตาเห็นเรื่องตาเห็ุเนี่หุ่นจักรมัด เลือกละได้ใจแค่นี้พอซึ่งเสดติดมูลเมาทุกประเทดูรูปงานงานดีทุกประเทศไหว้ที่ไหว้เทวดาทุกประเทศวงสรวงทุกย่างในวันทุกคนบอก่ามมีการคองแหวนอย่างพอรู้จักเรื่องรุปนามเลือกได้ขาดเสีเดียวห่มันีอย่างจริมาช่วยแล้วเประเด็นมันเราใช่เราเอง เลิกได้แค <alia> ่ไม <de tr> <ates> ่ม <barbecue> ีครูบาอาจารย์องไ์ใดมากระซิบหูแล้วบอขอหู่จักมือเศร้าจังจังหวะให้หู้จักจริงจริงถ้าหักหุ่นจักจริงจริงแล้วนําไปสอนคนอื่นผิดเด้ผิดแล้วจะเป็นจังไดงยกกับบาศแล้วเข้าไปสอนเขาเจ้าผิดเด้นี่แหละบาศมันอยู่ที่ตรงนี้แหละบาศคือมืดอบาศคือบุญหุจักบุญเรื่องแต่บุญคือหูบุญคือหุ่จัก โบสอนคุคิดและบุญมันเป็นอย่างนี้นจังหวัดตั้งใจฟังพอมานี่เราเอาไปเฮ็ดบ้างเถอะบวผ่านเพราะว่าพระเจ้ากุณสอนไว้ดีแล้วว่าัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นและจะนํามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติปฏิบัติตามอย่างเรลา่าตถาคตนี้ ก็จะรู้จะเห็นจะเป็ น, จ ะ, นจะมีอย่างเราจะถากพกุทธมิตรู้ไปทุกแง่ทุกมุมทุกออกทุกสดพระพุทธเจ้าเป็นมาลูาเหมืเฮาเฮ็ดมังกรจิรู้คือกันกลับพระพุทธเจ้ารู้มาทีเดียวอันนี้เฮาโบเซื้อได้เด่นโบเซือฟังขับอของพระพุทธเจ้าเป็นอะไรจรว่าเฮาโบหูห <c oughs> ูแรงมาคมมังหูอันนี้เหมือนมังหูวัตถุ ปลามัดอาการมัดถูกหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่มีอยู่ในโลกนี้ที่มองเห็นด้วยตากระตาบาง ม, มองเห็นด้วยตากระตาปลามัดก็คือกันที่จับถูกด้วยมือกระตาจับบุคคลด้วยมืก็ตาที่มันมีอยู่อาการทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงไดเมดืเนี่ยผมคิดอย่างไรแต่เห็นเผาะเ ข, ขาตะกอนที มันนี้กม็มาอธิบายอย่างนี้ไปเมื่อเห็นอันนี้แล้วก็เห็นโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะโลภะนี่เป็นของหนักท้อเมื่อเห็นอันนี้ก็บเบาคุณนลงเลทะนามิยูแกบ่บุตรสัญญามิยูแกบ่บุตรสังขารมิยูแกบ่บุตร มญงานมีอยู่แต่บทุกอันนี้คเอนขันซี่รูปซี่คันซี่คือมันคิดเป็นขันรูปที่มันรู้จักคิดนัในตนเอนว่าเป็นแนวคือว่าขันซี่รูปซีคือว่าขันซี่ขันห้ากับขันูปอันนี้มองเห็นได้ต่เวทนาสัญญาสังขารมีงานมีคเอว่าขันห้าขันซีตรงนั้นคือว่า เป็นน้ำรูปเป็นรูปน้ำเป็นน้ำรู ป, น, ป, น, น, ป น, นั้นู้จักว่าตัวเองเป็นพระได้หรอือเปล่าเออผูนี่เป็นพระได้ได้กันเป็นเนื้อกันได้แท้ได้ผมผู้ที่เป็นเจ้น้า่บุคคลผู้จันบจนี่นาร้อให้ฟัเดินไปเดินมาอีกสุบัติหนาครับผู้จับเป็นพระเลยกอกไปสัดมา ยันงนานผมคิดว่าบบเกินยี่สิบนาทีจิตใจผมว่างขึ้นมาอีกตักหนึ่งเห็นกิเลสตัณหาอุปาทานต่ำนี่แหละครับตึงก้เลสทาวาเป็นนได้ครับแต่หักโบกจากกิเลสมผมจะกรุกบูงจากกิเผมมาคำนวณดวงคนอย่นี้มานคิดว่าเป็น่ยนได้ซึ่งโบจากกิเลส เขาจว่าหาวิธีตัดมือมันบู้หิจักเลยตัดมือบนเป็นอ่อมีอ่อมาตัดดอกยีเร่ผมเปียบว้ผมเป็นเด็กน้อยไปติดตะยันครับไปบักเอายามีเอามะกันเทาดีไเที่ยวออกรื่องเี่ยวกับจะทาเอานวดติดมือยำมือมักขนุนนี่ก็จะหิจักคันมักมีมักขนุนเป็นเดียวจมันติดมือติดบ่ออกเอาน้ําไปล้างมันบ่อยากออก แล้วบันนี้ผู้ใหญ่เขาบอกมึงจะให้ดังสันแม่สันที่จังใดเอาน้ำมันแก๊สน้ำมันแก๊สน้ำมันกานน่ะก็น้ามันเบนซินน้ำมันมูสันนะว่าน้ามันอะตามซังมึงก็จับมาหุกเสียมือมันออกรถอนี่มาันไหนผู้เท้าผู้แก่ขาเจ้าเคยด้หนึ่งหนึ่ผู้จับวันนี้เอาน้ำมันแก๊สน้ำมันกานนมันไส่กับหุกออกรถหรือที่มีน้ำมันมูสันอะตัาซัง บ้านหอบมัน 50% น, น้ำมันหมูทอดไว้บ้า น, นพอแล้วก็น้ำมันเป็ น, น, นริงแล้วก็มีน้อยแล้วมาไว้ยามหาใส่จะแสนเดียวออกหลุดอันวิธีที่เอาโอยักเลิกละจากของเตา่าเนี่ยคุณเอิ้นกีเลศมันเป็นอย่างเหนียวผมว่านี่หาวิธีตัดนะตัดมือถึงว่าตัดตัดหรือว่าไม่ตัดมือแต่แค่ ต, ต, ตัดต้นลง ตัดลากเอาทิ้งเอาของที่มันเคยใส้เคยจย่ายย้อนะทิ้ ง, งคือว่าตัดวันนี้ตัณหามันก็คิดถึงอยู่แคเนี่ยคิดถึงอยู่เพราะมันเคยให้เคยทําำ ด, ด, ด, ด้คิดถึงว่ามีแล้วบเนีย์พรกิเลสมันมัอยูอย่พั้นเด็กมีแต่ตัณหาผมยาอุปาทานดิคิดทอดคิดถึงย้อนเละทีกรยาของมันกรรม คน อ, อื่นวัยบาปไ่ได้ทำเนี่ยทง ว, วานี่ย่างสมมุติเอาหน้าขับบางคนนอนตื่นมาแล้วเก็บนั่นเก็บนี่สามสิบนาทีสี่สิบชั่วโมงนึงก็บรรลุนะจับมีอย่างว่าโลกคุกคักเอ้านี่ให้เจ้างไดยจังสรรย์อยากผลอื่นหรอกกิเลสด้วยเห็นกิเลจากเชื่อมาจีรักิเลสได้บอกผมเลิกได้เนี่ยว่าผมเลิกกิเลสเพรผมมีกิเลสได้ไปเลยจัง อ, อันที่นามาเล่าให้ฟังผมคิดว่ากิเลตัดต้นมือ ตัดต้นลมขาวากันก่อนรถเท็กเตอร์ไทยเป็นอ้อคนนผมบอกเคยว่ารถเท็กเตอร์ในไทยหากเล็กหากนอยมันออกมดแล้วมันบเกลดอันนี้เขาบูห้จากกิเลสเขาว่าเปลี่ยนซื้ออันว่าเป็น่ยนน่าบูยประโยชน์มันบ่ยเห็นบูชาจากกิเลสกีเลศไม้เถึงมันอยู่มันเหานี่แล้วมันมีขอบอยู่นี่บัดนี้เขาเห็นกีเลศแล้วอันนี้มันเปลนกีเลศทิ้งเลย ตัดมือของใครมาไดไปปัญหามันยากเยอะเนี่เนี้ยยากกับบริกินแล้วบนมีแล้วเนีบนเนี้ยอุปทานมันคิดถึงที่กระยาของมันแล้วมันบนมีประโยชน์แล้วคิดของคุี่อย่างว่าอันความคิดเรื่องอดีตอนาคตเนี่ยมันใส่หมด้เนี่ยอันวาอยู่นี่อดีตอนาคตใส่หมดไปัจจุบันนี่ยังว่าอันผมว่าให้ฝั่งสูนซูนูน่ะบ่เข้าใจ ว่าเอาอาดีตอ น, นาคตไปใกล้กันให้เอามาไว้ใกล้กันเนี่ยเอาโตกิเลสเนี่ยกับตัวตัณหาตัวอุปทานเนี่ยมาไว้ใกล้ๆ ก, ก, กันเนี่ยอันนี้เขาบอเข้าใจฟังผมิว่าเป็นซื้อแสดงว่าย่างบอเข้าใจธรรมะและไปสอนผู้อื่นมันกพรกนกพิษเสนอโบขควมผิดพลาดนั่นเป็นบอกเกิดแห่งขวัญบากรวมอันกรรมกับวิบากนั่นเป็นวาเอินการาํา เว่าเด็กกันตําลาแล้วผมก็ได้เรียนตำลาเดียคกันผมรู้จักเท่เรื่องธรรมะอันนี้ผมบอกผมรู้จักสํานานมาหลายเตอร์ไปว่าเตอร์ไผมจะมีความสามารถกล้าพูดกล้าสอนมาต่อพอต่อแม่ต่ออ้าต่อน้องต่อพักต่อครัวผมเป็นโยมอยู่เสีด้วยดีนะสอนน่ะสอนปีกู้ว่าคุณผมสอนแม้กระคุณตํานานขึ้นทุมือทุกมือเสนอ ยังว่าปีนี้พวกเขามาพิสกันให้ไปเป็นครูเป็นอาจารย์คนได้ผมจ็พยายามแยกแยะออกคําพูดีที่ผมรู้มามันแยกแยะไปแล้วก่อนผมก็เลยมานอนบันี้กนอกจากอันนี้ดีแล้วโอ้มานอนนอนแล้วก็ธรรมดาผมอยากมันอยากตื่นปีหนึ่งปีสองนี่ยนะหละอยากตื่นพอไปนอนตื่นตื่นแล้วลุก ลุกแล้วผมลุกเบาๆบอกให้ถ่ห้องนน่ะนิสัยเป็นยังไงนิสัยผู้ประพฤติธรรมเด้อันนี้ใส่คุกคิกๆบอ๊อบแมนนิสัยประพฤติธรรมบรันนี้จใส่ปฏิบัติธรรมนิสัยกิเลสอันนั้นให้ห้องจับ ก, กิเลสเนี่ยมันเป็นสันดานมันเป็นอย่างเหนียวมันบูยักออกมันบูยักเลิกมันบูยักเตาเขาพยายามออกพยายามเลิกพยายามเตาเป็นวันสั้นจึงว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรม เข้าใจเหมือนกันกรรมนั่งแต่ผมนั่งข่าวนั่งบางทีผมโบาลางหน้าก็ได้ลุกออกมาขนานั่งสร้องจังหวะพอสมคนแล้วผมก็ออกมาลางหน้าเดินสมกลขึ้นออกมาตะกมันโดยยับนอนดิดโบาลางก็ได้งั่งอยูีกทีบาด น, นี้เขากำลังเดินตมกลมอทเนได้เดินไปแล้วเดินไป น, น้อยๆเนาะเห็นตัวพี่เจ็บตัวหนึง่ง และเอามาคว้าว่าเอามาท่านหน้าผมไปผมก็เลยไปเอาเที ย, ไยท น, น, นไขปาล์มตัวที่เก็บตัวนั้นไปตัวที่เก็บตัวนั้นตะไครแล้วก็เลยบริเห็นทือบทันหิ น, น, หนเพราะผมที่เก็บขัดเชนึงเจ็บมันเป็นเลือดออกบนที่เจ็บขัดนเป็นฝ่องแค่โอ้เจ็บหลายป็นแรงแล้วเลยเอามาเทียนไขมาตั้งแล้ขอนก้า อาต้านของเขาเดินกลับไปกลับมาก็เลยผู้จักสิ้นขึ้นมาโลกสิน้นวิธีผมรู้จักนั่งกอดสิ้นขันสมาธิขันปัญญาขันโอกิเลย์ย่างหนากิเลยอย่างกลางอย่างละเอียดพันวาสิ้นเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอยา่างหนาสมาธิเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างละเอียดโอ กิเลส ย, ย่างเงได้แก่โทสะมโมหะหรือพระกิเลส ย, ย่างกลางเข้ามาแบนเนี่ยกิเลสตัณหาอุปทานนี่ได้มันหนักมันตัวโทสะมโมหะอันนี้มันบริยักษ์พงบริยักวางตัวกิเลส ย, ย่างยางกลางเนี่ยมันบรอยักเศร้ามันบริยักเลิกนี่กิเลสกิเลส ย, ย่างละเอียดอะไรสินมให้ถึงป ก, กติได้ที่ เป็นอนุสัยแล้วก็เลิกได้ไปละเอียดอีกก็เลยข้อจักสมถะกรรมฐานขึ้นมาลูกสมถะกรรมฐานมันไปสงบแบบนั้นสงบแบบเบาลืนั่นเองสมถะกรรมฐานเป yeah. ็นอุบายให้สงบจิตสงบใจหรปรัสนากรรมฐานนั้นเป็นอุบายให้เกิดปัญญามันเกิดปัญญาจะเกิดหลวงพ่อคือกัน พรานุ่นมนมี่น้อยคู่กันแม่ข่าแม่ด่งคือกันเกิดปัญญายเหตุยอย่างต่างประเทอันนี้ถึงเรื่อนอารมณ์อารมณ์ของวิปัสสนาบนเนื้นออารมย์ยังที่หนักพอวานิเม่านะอารมณ์เป็นทักเป็นทักไปโ อ, อย่างว่าเขียนหนังสือนั้นบอกว่ามาทางนี้เนี่ยเขียนหนังสือไว้เล่มหนึงมาทางนี้มันไปทางนั้นมันบุบูกของไปตำนานพุทโภคบ้าง สัมมาอรหังบ้างนับหนึ่งสองสามบ้างของนุกบ้างดูลมหายใจบ้างนุกเอาพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียพุ่มหมวยในหัวใจดีบ้างนุกเอาลุกแก้วหรือพระพุทธรูปรอยเข้ามาสวมสัวเฮานี้ไว้คือเสื้อคือผ้านี่สัตวอันนั้นบนแม น, น, น, น, น, นมันคิดเอาซื้อๆหวัคิดทำเมันล อ, อกเอา บ่แม่บันนี้หามาเบิ้งความคิดของมันคิดเขาเห็นมันคิดเขาฟูโอ้ความสงบจริงๆคือเรื่องกตนความสงบของสมถะกรรมฐานนั้นมันสงบแบบบารูา้ให้จิตมันบารู้จิบารู้กิเลสว่ากิเลสเต็มหักบารู้กิเลสยู่ดำกิเลสกับเบรู้จากกิเลส นั่งกองกิเลสอยู่กับบุญจากกิเลสมั น, นให้เข้าใจกิเลสเหมนี้บางทีมือนี่ก็ตัดมือกันสักดีนะตัดไม่ตัดมือกันห้องที่มีเคยใส่เคยใส่ออกก็ทิ้งมดตัดมืออันเนี่ยมันเนี่ยหาบาเห็นได้จริงมันจะคิดถึงคนเนี่ยเนี่ยตันหามัจะยากเลยอันนั้นอุปท า, านเราจะยึกอยโอ้ยเอาของกูไปทิยนเสียเนาะเนี่ันเอขาต้องตัดมือเขา เขาบอตัดมือเ่าแล้วบ่มีผลอที่ตัดมือห่อให้ได้ไม่ทั้งมือใครมาตัดมือเ่ากับ่ได้เทวดามาตัดมือเ่ากับ่ได้ชายอินพระพรหมมาตัดมือเหากับบ่ได้เลิกเองเขาตัดมือเอาเองนี่แต่ผมบ่ได้ตัดดอกผมเลิกคือเพราะว่าข่าวนั้นผมสุบุรีผมเลิกที่เบิดแต่ผมพยายามออกโอนสิเนี่ยนานเนี่ยมันติดอันเนี่ย ขัด่ากินมันทองโบดีเดี๋ยวนี้จะเลิกได้แล้วเลยนานอั น, นอย่างออกได้อันนี้แหละจริงว่าเอามาปฏิบัติีเพื่อให้เข้าใจจริงจริงถ้าบบเข้าใจจริงจริงแล้วเอาจีตไปสอนคนปฏิทิยจังว่าพระเนรเฮหล ง, งพอทุกองพระทุกองเนรทุกองญาติโยมทุกคน ต้องฟังคำพูดผมอีหลองบึง้งมันจีแม่นหรือมันจีผิดเอาไปคัดวิจารณ์ที่เรณาเราเบึง้งแล้วปฏิบัติลองบึง้งคันมันใช้ได้ผมว่านี่มันดีผมว่ามันดีอะไรเติบนั่นแล้วผมคิดว่าเงินจากล้านบาทนี่ซื้อบอด้ยด้ซืออย่างคำพูดผมว่านี่มองว่าจะล้านบาทได้จากพันล้านบาทด็กก็ซื้อบอด้ยได้เนี่คำบุ้นเฮต์เอาบได้ยได้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 ตั้เหวนี่หละมันดีอยากจะหว่าให้เขารดประทานที่เขาลบบุคคลผองบานแล้วที่จริงเขาลบตัวเหานี่แล้วเพราะว่าเหาเป็นพระทานเลยเด้งยกมือไหว้ตัวเองเมือซาวขึ้นเลยคุยกมือไหว้เลยทีเโอ้กูนี่มันดีปานนี้น้อสันมันมีเพ็รมีทองคําเจริญไหนได้แล้วแบบ น, นี้เอาไปขายราคาก็แพงนี่ ผมเปียกไปอันนันแต่ว่าผมโบโบได้เรียนอย่งถือได้ครับเข้าทีนึงอันนี้โยังเข้าทีสองอันให้ทานลักษณะจินจินเจดีแล้วอันนี้ไดมครับโบไม่ไ้อันนี้อันนี้มันข่วมมัดคือฟ้ากับเพศดินข่วมกับดวงสิโอ้มันข่วมมดถ้าทําทูกต้องอันนี้แล้วมดบาทเดี่ยวเลยเนี่ยวพอเข้าใจกันสัก ตอนนี้เศร้นานาแนี้ทําไปทํามาผมก็รู้จักเห็นดูเข้าใจจริงจงเมื่อเข้าใจสมถะกรรมฐ า, านแล้วมันบกต่ามันมุดตื้ออยู่ภายนจิตใจมันเป็นมันเ บ, บากใจก็เลยเห็นการกระทําบาปนี่แหละการกระทําบาปเอามือไปตีปากเบาวใจบได้คิด มันเฮ็ดไปสิดทีเฮ็ดตามอารมณ์ไม่หมดดเนี่ยตัวกิเลสเขาบวได้หุ่จักก็มันเฮ็ดด้กิเลสไม่พาเฮ็ดไปดี้ถ้าหางเราล่มจริจริงๆล้กันตายไปแล้วไปตกนรกคุมใดนานจากปีจากเดือนมาบ่บวชเนี่ยบุรุษเจตนาบดุ้ษเห็นความพูดตัวเฮ็ดไปตามนิสัยกิเลสให้หมดไปว่าไปตามนิสัยกิเลสเปนอ ถ้าหากเราโลกมีจริงตายไปแล้วไปตกในโลกคุมิใดนานจากปีจากเดือนจากวันที่คเข้าใจไหมบวันนี้มือโถามปากบอกใจคิดซื้อแต่บุห้องจากใจคิดใจมันเป็นกิเลสดมันที่วายฝังอย่างโบตัดต้นหลมุมทีโบตัดลากออนที่กิเลสมันโบอกโอกเลย <c oughs> ถ้าหากเราโลกมีจริงวั น, นตายไปตกในโลกคุมิใด นานจากปีจากเดือนตามอั น, นบัดนี้มือกระทำปากกระว๊าใจก็ะคิดพร้พอมกันมันถ้าหากนรกมีจริงตายไปแล้วไปตกนรกคุณได้นานจากปีจากเดือนเข้าใจอย่างไรก็เลยตื้อยู่ข่าวนี้มีคนสว่างไปเคลื่อนขณะใจจิตใจอีกทีโอ้ถ้าหากทาบุญมัน แล้วทำบุญโดยบุได้เจตนานตมีอเต็มมือนี่ทำซื้อซื้อปากบเว้าๆใจสบายดทำไปซื้อซื้อทำไปตามกิเลสเทว่าปัจจัยถ้าหากสวรรค์มีจริงตายไปแล้วจติตประจุดสวรรค์ตั้งไดนนานจากปีจากเดือนวันันนี้มือโบาา้ทำมืแต่ปากเว้าซื้อซื้อเล่าไปตามกิเลสนั่นแหละเลวะ้ว่าเล่าโดยมุงจกักทีดนั่นแหละบุญกิเลสเด็กของบุญจากกิเล ย่งว่าตัดกิเลสนี่ยมันเอาเอาจริงจังๆวันนี้ถ้าสวรรค์มีจริงแจะเกิดสวรรค์สักไหนานจากปีจากเดือนบันนี้ป้ากบวาเบามืบมมาอบ า, ท, อ ท, า ท, ทางมีแต่ใจคิดซื้อใจคิดแต่ตางกิทลสซื้อใจหากบุญจากกิเลสมีแต่ตางกิเลสถ้าสวรรค์มีจริงเนี่ยบ่นตายไปเลยจะเกิดสวรรค์น า, นานจากปีจากเดือน เ ร, รรู้จักวันนี้เอามือก็ะทำปากกรเวา้าใจก็คิดค้อมกันน้ำต า, าย่างนี้แหละมันถ้าหากสวรรค์นิพพานมีจริงนะ่ะตายไปแล้วจิตไปเกิดสวรรค์สั่งในจิตไปเกิดนิพพานสั่งใด น, นานจากวันจากปีจากเดือนแล้วกันเนี่ยเข้าใจแล้วกันพอดีเข้าใจอย่างนี้เาารา ก็มีความสว่างใจขึ้นมาโลยนี่แหละกิเลสต่ให้เขาจักกิเลสว่วตัดต้นงลงอาวตัดไม้ต้องตัดรากมันพุ่นนี่ขันเขาบ่า เราปินซื่อนี่เด็กถาว่ากิเลสกิเลสยกกิเลสจังได้อันเจ้าของคิดอยู่หั่นแล้กิเลสอันเจ้าของคิดอยู่ น, นั่งของกิเลสอยู่ฮั่นอย่าคนอย่างว่าเอาคิดต็ดแต่ลางคิดไทลเอ า, าคิดใกลแต่ลางคิดป็ดมันมาแล้จากเธอตัดมือของนีนบุญไม่ตัดมือจะเชื่อได้เอาทิ้งห่องเคยใส่เคยจ่ายเอาทิ้ง ของเคยพูดเคยเล่าเอาทิ้งนี่ตัดต้นหลงของที่มีอยู่แล้วมันบนทันประโยช น, น, น, น์อย่อางคุณค่ามันมีน้อยทิ้งเลิอกอันนี้แล้วก็คไป ด, ดูตัดต้นหลม ต, ต, ตัดมีอตัวเองเป็นกิเลสตัณหามันยากมันยากคิดถึงผู้ประธานมันี้มันคิดถึงตามจะมันจะคิดถึงว่าฮันดีอนาคตช่วยเขางปได้ทศทางนูดผมยังวายฝังเหยาะอาดีตไปไว้ไกลกัน ย่าเอาแนกคบไปไกลกันการฮาดดีอนาคบกับปัจจุบันให้มันอยู่งใกล้ๆกันนี้นะขันท้ามันอยู่ใกล้ๆกันเขาแล้วมันอกี้เปิดอันเดียวขึ้นมาเลยอันนี้มันยุ่งใกลกันมันก็เลยเ่อเปิดอันเดียวกันจ้าเสือเยเอาบอกเข้าใจยังไงพอดีเห็นอันนี้แล้วคลายคลายเสือซิวใส่ควาสมมุดอันนั้ขาดตัดตรงที่แหละคันท้าเจว่าทางมันสว่างมุดตึ มันเนี่ยกรเจาย ว, ว่าทางมือกับคลาคลายเสื่อนุดตึ๊บ้าไปกดที่เสือฟ้านี่ก็ ว, ว่างตัวขึ้นมาลงที่กางสั้นหรือเปรียบว่าคือสำลีแห้งน้ำนี่แโดยเฉ่าะในกระบมีนม้ำผมเปรียบหลายอยา่างนี่คือช่วงไหนร้อน ม, มัดต้นนั้นมัดต้นนี้ดึงข้างเพีงตัดตรงกลางข้าตับ๊บดึงบวับวบัชงอันเนี่ยผมเปียกไป ล้วก็อีกบทมีมีท้าบาดผลตามปกติมีท่าหอวันเนื้อวันเนื้เลือดนืออบากาศมันตัดเข้าสัวสภาเลเหมือนผมกำลังย่างอยู่ตัวผมมีเบาขึ้นไปเลยอย่างว่าบไม่ดีอกดีใจอย่างนีมันเป็นอารมณ์ทีเดียวด้วยสนาแบบของเหตุมันที่ <Yeah. S 1> เป็นไปตามขั้นตอนบางสิ่งทีเีห็นย่างอื่นไปบทบุญย่างผัวนี่นีครับ อันนี้เป็นอ า, ารมณ์ที่นํามาเราให้ฟังแล้วก็มาแยกแยะให้ฟังพวกเราจะบวชเข้าใจถ้าพวกเราบวชเข้าใจแล้วนําไปปฏิบัติมันก็บวชเข้าเรื่องเข้าเรามันก็บวชเข้าหลอกได้ครัมันเป็นอย่างไรอันนี้จึงว่าพยายามทำถึงเพอพอดีมันจืดมดแล้วก็คาดขาดคือดักบแดบ้ตัดขาดล้ว ดดักแร้ออไปให้พระเจาไต้ออกไปต้มแล้วรเจ้าไปเศาเอาในอนเอาเหม่ตเป็นฝึกอยู่ไหนมันเป็นอาันเขาป้ามันเป็นอาตันตอนเศ้าควรสุขประเภทนี้เงินคือบอัวได้รูจักหมื่นล้านแสนล้านกับซือบได้ให้ผู้อื่นทัแทนกับบได้ถ้าทำผิดมาแต้นแล้ว ปฏิบัติธรรมะของพวกเขามัอนอะิดบอกก้าวหน้าถ้าหากทำเราทำพูกมาเป็นต้นเราการปฏิบัติธรรมะาของเขามัอนอะิดก้าวหน้ามันจะแนวกันที่จะภาวนาให้ฟังให้พวกเขาทำเป็นองบึ้งเมื่อคิดกนะ้าหน้าหรือเมัอนอะิดบอกก้าวหน้าเพาว่ามันก้าวหน้าเพราะพระพุทธเจ้าเพิ่งตัดไว้หลายอย่างเเไหมตัดทั้งหลายคือเราตถาคตเนี่ยพอแหลก จะหาว่าผมเราลื้นรืนอว่าเงินเราลืมเนี่ยทั้งลายเหมือนเราตถาคตเหมือนกันัทั้งลายเป็นตถาคตเนี่ยเป็นได้เหมือนกันแต่พระพุได้เป็นพระพุทธเจ้าพญาว า, าสุธาเนื้อพุทธังสามะสีระทิถึงผู้ตัดสู้ตามพระพุทธเจ้ามีสิ่งและทิฐิสมือน์พญาวามีสิ่งมีทิฐิมีความเห็นคือกันกับพระพุทธเจ้าพญา ว, ญวาจักรสั พลั ง, งตั้งใจปฏิบัติขอที่ซีนิพลังทัดทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตถึงแรงแห่งนั้นแล้วจึงนามาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทําหลายจงประพฤติปฏิบัติตามย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีย่างเราตถาคตนี้เนี่ยต้องรู้ต้องเห็นต้องเป็นต้องมีเบือนกันกับพระเจา้า จอเขอพยายามทำไปตั้งแต่ต้นๆเอาไปตั้งต้นที่แหละมนไปตามขั้นตอนไต่ย่างที่พระพุทธเจ้าตรานั้นถ้าห้าเขาบวชให้จั้งซีเขาบอกแก้ตัวนี้ริสะกอนเดียวต่ยากปฏิบัติธรรมะที่บอเก้าหน้าการปฏิบัติธรรมะเก้าหน้าพนวมันต้องไปจิตต้นแต่ท้ายคือหอนปลูกต้นไม้นี่แหละออกให้ปูย ให้นามมันก็ยามไลข้าหน่อหดแด่บุกหดแด่บุให้ปุ๋ยมันแด่มันก็นานขึน้นเป็นไรดูจเปียบทางอีกตัวหนึงเขาเดินไปเฉยเดียวเนี่ยกับบุกหจักแล้วทางมันเป็นหลักเป็นต่อเป็นบ่อเป็นเหวเป็นตร่มเป็นเลี้ยอีกตัว่เขาบุกหุจักรบัดนี้เขาเที่ยวไปหลายเที่ยวมารลุหุนจักนี่ เมื่เกิดมาร้อยวันพันปีหากบุรุษจักสภาพท่พาว่าอาการเกิดดับโตมันดับนั่นิตของพระพันปีหมักรู้บุคคลเกิดมา ม, มือเดียววันเดียวเนี่ยรู้เห็นอันนี้แล้วเข้าใจอันนี้แล้วทิฏของพระพันปีคามาคนเกิดมามือเดียวมันจะทิพย์สิ้นโตได้ยังไงแต่เ ม, ม่อจะหอบฟังผมเล่าอยู่ดียวนี้แล้ว จำได้แล้วก็นําไปแก้ไขอันนี้เราเกิดมาเมื่อเดียวบวชมาร้อยวันพันปีประตานกลางเลยทีเดวด้านขางก็มีดบวยมหาอ<ม>ันี่หากรู้จากสภาพทาว่าอาการเกิดดับส่วนมีการบวชเขคว่เป็นมันอันนี้ส่งผลเป็นมันบวได้บุญจะน้อยมันเป็นมันเป็นมุขเดี๋ยวได้เยอะอันอื่นแต่หากไม่ได้บุญส่วนนี้บุญส่วนนี้เบาบได รู้ผู้วัดแบบมืเดียวเลยเนี่ยเลยรู้จักสภาพภาวะอันนี้อาการคืนกับอันนี้ชีวิตของวัานี้ค้ามีราคามากกว่าเราต้องทําชีวิตของเราให้มีค้ามีราคามากให้มีกําไรชีวิตให้เราเดินไปฉันจะไปสอนพูดเรื่นกับกําไรชีวิตของเราสอนได้สองคนกับกําไรชีวิตของเราสอนได้จากร้อยคนพันคนกับกําไรชีวิตของเราอันนี้เป็นเรื่นกําไรชีวิต บนเนื้อกำไรคือเอาไปอันนี้ไปขายอย่ันนี้นบนเมืนนี้อันพ่อผู้อื่นยึดคนทุกไปอย่างคือเอาคนไปนั้นคนว่าอย่างไรธรรมะอันที่ผมได้อยู่เดียวนี้บนเนื้ของผู้ใดทั้งหมดเป็นสาคุณเป็นของทุกคนบนเนื้เป็นของศาสนาพุทธบนเนืเป็นของศรราสนาพรามณ์บมเนืเป็นของศรราสนาชิกบนเนื้อของคนไทยบนเนื้อของคนจีน บม่คนของบุมีของคนฝรั่งบุมีคนของบุม่ของคนอังกฤษบุม่ของคนอเมริกาบุมีของคนญี่ปุ้นไต้หวันมียังเป็นของผู้งูงูแล้วจะสงวนที่เขาติดบได้งูแล้วทาลายบได้อันเพามันเป็นนางฟังอยู่เดีถ้าเขาทาผูกต้อนหลอกงูเยสงวนที่เิดอย่างูนะเจ้าบได้งูแล้วทาลายก็ตายก็กระโบได ที่ว่มันเป็นไปตามหน้าที่ออกมัาที่ผมนํามาลอให้ฟังป ร, ระวัติเขาในในข่าวกันแล้วว่าจิพยานติดกันให้ออกปะเด็นครูเป็นอาจารย์ของคนแซนคนให้มันเปลี่ยนนี้ผมจึงพยายามปรับปรุงพวกเขาให้รู้จักจริงๆถ้าหัากโบ้จักจริงๆแล้วมันกี่ีเดีทุกคนต้องเตี้ยนได้ทีเดียว กิเอตัดมือหัตกรมือยักเพชกูบเพชรมือยักทนกูบทานมือยักเบากูบเาเห็นกิเลสอันนี้ที่กิเลสเี่ า, า, เ, าเป็นยางเหนียวคือยางมมีนของมันเอาไวมันติดยางมีมอยางมะขนมนเอน้ำมันมาใทแล้กันลื่นออกพุกกรตุก้อนอะไลอันนี้ก็คือการเขาตัดทิ้งแล้วเอามาติดตัมนกรบบมีแล้วขาไปทิ้งเลเดีนั่นปน แล้วมันจะคิดถึงได้นะคิดเรื่องปัญหาจะคิดเรืมันกลับไปแล้วมันไม่มีแล้วมาไปทิ้งเลยดิเพราะว่าเอายาบางมียาบางชนิดน่เอาน้ามันล้างออกเลยดิเหมือนตกออกเสบหัวไปเลยดิเนี่ยแล้วมันจะคิดอยาไปจับมาอีกเติมได้แบบเนี่ยปัญหามันอยากอย่าไปจับไปทิ้งเนื้ออยา้มีอุปกรณ์เครื่องใช้มากผู้ที่ปฏิบัติธรรมบุญเ่องมา มีทาเจวอนผืนนึ่งท่าสังคาผืนนึ่ทาสะบงสองพื้นท่าฝ่าส่องพื้นขอใส่แหละมากกว่าท่านสาธว่าเป็นกิเลสแล้วท่าสะบงส่องพื้ น, น, ใ, ออ น, นให้ยางจนนึงผืนนี้อาบ น, าน้นผืนนั้นมันหอ่ออาบน้นแล้วก็มาถัดเปียนกันถ้าฝ่าผืนนี้ห่อออกไปสักผืนหน้ากับขัเกียน หัเลืนกับทุกมือทุกมือซักทุกมือแล้วก็บวบมิบบวซากทาอังศาซักตุมือถ้าสมบงซักตุมือเจ้าทาจีวรใสบวซ า, าเอามาหม่มมู่ขึ้นมาหามู่นี้วจักรล็อกใส่ท่าจีวรผัดหม่มสบายเลบอกแล้วไปใส่กระบนอยเครื่องหลายแต่กระบได้ซอกหาอี ย, ยาเจ็บแค้นเจคบะายาการมองกูจะใส่หนาปุวะนี่มันไม่ได้ซอกหา อันนั้นมันพอกอันนั้นอันนี้มันติดอย่า ง, งกิเลมันมีอยู่เด็ถ้าหากเขากเก็บพิ้งไปฝาแล้วมันก็แล้วแต่ก <c oughs> <c oughs> ารช่วยเหอกันเบูอ้อืต้นที่มาช่วยเหอกันถ้าหากให้คนอื่นมาช่วยเหเาก็โบได้ผลแล้วของให้ผู้อื่นมาซอยอยู่เด็ผู้อื่นโบซอยเบาซอยเสยเืออยู่กัรื่ลื่อนแต่ ย่าเป็นคนมากปลือให้เอาไปฝังไว้ในมันสมองคนที่ผมเวาวผมวานั่นถ้าหาักจาได้แล้วเอาไปฝังไว้ในสมองมับ้าผมว่าปฏิบัติดีทีเดียว น, นี่แหละนิพพานดังนัตายแล้วจึงไปนิพพานนี่ น, นิพพานคือมันเข้าสุขภาพของมันที่ซื่อนี่แหละว่ ม, มีเรื่องในห้องที่ควรจะผ่านนี่ นี่แหละข่มสงบดุดแล้วขามสงบแบบนี้โบต้องไปศึกษากับต ำ, ำลัตตำราอันใดมากนะพวกของจริงมันอยู่ที่ในของสูตรสำเร็จสำเร็จแล้วอันว่าสำเร็จเนี่ยมันเพราะมันคือเป็นของง่ายๆนี่เบ้แม่นง่ายเลยคือมันจบสิ้นกันเพราะว่าดึงบอ่อคล้ายๆ ค, คือหออย่านี้ หอยนี่มันไตแตกสิครับบ้าบนี้หาปาต้มแต่มันเข้าไปในปอให้มันหมดไปดิไม่ที่ตีเอามากินเขาต้มสุดเลเอันไม่ตีา ม, ามาือออกมากระบือยออกมาเดอะ้นเลก็ออกมาไงเลือตกระเบือยออกมาเกิดเพราะมันขาดเด่นมันขาดคือชวกไนล่อนดึงแล้วบูถึงกันแม่ที่นี่ตัโยต์อย่างของซึ่งของซั่ มันเป็นของตัวของลายของสุขภูมที่สุดอย่างโอ้เพียงบ่งผมฟิตซื่อๆเนี่ยทำไมมาเป็นอดีอนะแบบยื่นรับผมว่าทําอีกมาหอด บ, บ้านขาเจ้าหาว่าผมผมพระพุทธเจ้าโบาสถ์เป็นผู้มีเมตตาเด้ง ว, ว่าพระพุทธเจ้ามือเท็นดิดคนไข้ฆ่าคนตั้งหากเลยขาเจ้าบูให้จักโอ้กูบาอาจารย์กวาวาหนีไม่ได้ใน่แม่เนี่ยมั น, นเร็นะจริงๆๆๆๆๆๆ บนข้ามคนอันออกค้อนไปตีอะอ่านี้นะข้าวัวเป็นขนให้มันตายไปซะให้มันเลือดเจ้าาวัเป็นพระอริยบคุคคลนี้จะซื่อดีๆขันข้าวัเป็นพระอริย บ, บุคคลกับพระธรรมแล้วนะแบบนั้นแต่อย่งงี้กับพระธรรมไปด้วยทําการกับพระธรรมไปทํา พูดก่อพระธรรมไปพูดนึง่งคิดก่อพระธรมไปคิดน่ให้ว่าภาคธรรมูทุกมิถุนิสัยเขายืนนิสัยก่ออยู่ขั้นะพธถ้าหากผู้ไดเห็นธรรมาจะได้มิ่อออน อ, อย่างว่าเราในพระพุทธเจ้าผู้ใดจีบูชาพระพุทธเจ้าหรือข้อตถาคตนี้เขาตอกดอกไม้ทุกเทียนของหอนทั้งหลายจะหนาแน่นตั้งแต่พื้นดินที่กระตันตั คือว่าบ่ได้บูชาพระพุทธเจ้าคนหนึ่ผู้ใดบูชาพระพุทธเจ้าคือประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมสมควนแก่ธรรมคือวา่าผู้นั้นได้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งเขาเล้าตื่นขึ้นนี้เขาบ่เห็นท่าธรรมนี้เขาเพิ่อเห็นพระพุทธเจ้านีาน้นี้แหละจึงพระพุทธเจ้าจังว่าพุทธะโลกาธรรมะหมิง จิตต mm ังย mm ัตมะการปฏิอโศกังได้สังเทมังเอตามังคลมุตตามังสุทธิจิตสีย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุดมนุษย์ได้เทวดาผู้แต่งรมแล้วมีแล้วให้เพื่อให้มีแล้วไปใส่มาใส่โดยไม่เป็นทุกข์บริสุทธิพุทธสโลกธรรมเอหิจิตตัง จิตของผู้ใดตั้งมั่นย่างดีไม่วันไหวพันวั น, นก็อารมณ์โลกธรรมทั้งหลายคือว่าเขามายองเขามาตทำเข า, าบม่วันไหวเพาเขาตั้งอยู่ในสภาพอาการเกิดับตัวนี้นี่พันวันนั่นแหละคือจิตใจของพระพุทธเจ้าเองจะหาว่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเล ย, ยหรือวันนี้ พุทธะโลกระทำในจิตางนั้งกันตุยัพุทธะโลกระทในจิตตัางเนี่ยงคิดผู้ใดตั้งมั่นเนี่ยไม่ต้องคิดผู้ไดนะวันนี้แม่แอกอโศกกลางจิตบอกเศ้าโศกจิตบวกขุนหมัวจิตบอกเศ้าหมองมันกำเนอยื่อลงสันอันนั่นก็คือจิตใจของพระพุทธเจ้าท่านวิรัตชังท่านอโศกกลางทกสัต วิลัติจังว่าเป็นจิตไร้สุนีจิตโดมีขยะเชลือปนคล้ายๆขืองหงแตเหตุนามว่านามคุณเน่ะนาบกคุนที่ตรงที่เด่นมันทิดตื้อเหตุนามคุณจิตไรทุนีเป็นเอเนาะอันนั้นก็คือจิตใจของพระพุทธเจ้าเองเถม่างว่ า, วาเป็นจิตปุกเกษเพราะน้ อ, นองคน อ, อ, อ, อุปเบค่าจิตพลคุกจิตบนมีคุก อันนั้นต้เอื้อนจิตใจของพระพเจ้าตอนนี้ในเหานี้นัทุกคนเป็นว่าแต่เหาไม่ได้สนใจจยางสัน้นจริงทาไปสนใจแต่เรื่องพิ ธ, ธีสวดมงคนเอาได้ใ ส, ส่สิทธิไว้อย่างนั้นจับไว้อย่างนี้นั่งพระเพียบอย่างนั้ น, น, นจับเอาน้ํามนต์ให้จังสัน้นพรมน้ํามนต์ให้อของเราไปสนใจอย่องสัน้นเขาเลยไม่ได้สนใจของจริงเมื่อมาสนใจของจริงแล้วเขาจะได้รู้ของจริ ง, งจริง แล้วบัด น, นี้ข้าพุทธิย่างผมวานี้มาพราะตำลาวาไวไหมผู้ที่จเจริญสติปัฏฐานที่ย่างนานเจ็ดปีอยู่ย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างไวที่สุดนับได้หนึ่งวันถึงเจ็ดวันคันให้กิดต่อกันเหมือนลูกโซ่มีอาณิทรงสองประการังวางนี่เป็นเพ่าะไร หากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ต้องเป็นพระอนาคามีแน่นอนที่สุดเลยพระอนาคามีแต่เขาบุ๋งจักเขาวาดปินด้วยซิวิธี น, นี้ผมกล้ายืนยรับรงองเลยวา่าบม่กเกินสามปียอมฝึกไปจากสามปีลองเด็กมันจีได้ไปถึงขู่สอนคนรองเด็กเด็กน้อยอายุเก้าปีไปถึงสิบสามปีผมสึกมาแล้วโบนั้นพ่เขาบ่มีอารมณ์บ่มีอดีตบ่มีอนาคต ให้หมูรู้อยู่กับปัจจุบันเน้อแต่เธอต้องทําปัจจุบันเนะืมันเป็นยังไงรู้มันกั ง, งกกหันผู้เท่าผู้แก่เห่านี้ไม่เดกีกระคิดหาลูกคิดหาหลา น, ค, า น, านคิดหาอันนั้นคิดหาอันนี้คิดหาการอยู่การกินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเด็กมันเลือกเป็นอดีตอนาคตด้วยซ้ำจึงว่าให้หางมุจักว่าอดีตอนาคตดูดิแขกอาวะเป็นอวศาสตร์แล้วศาสตร์นาฟู เขารููจากตัวกิเลสดีด็กิเลสตัณหาอุปทานสามอันนี้แหละเป็นอดีตอนาคตจําให้มันดีครับพอ น, นี้กิเลสเขาอยู่กับกิเลสมันเป็นปัจจุบันตัณหามันเป็นอดีตอนาคตไปอุปทานมันเป็นอดีตอนาคตไปเอาอาดีตอนาคตกับปัจจุบันไว้ใกล้ๆกันเนี่ยโอ้ มือกูนี่แล้วมันดีเด้นี่นี่แหละเราจะเห็นของจริงขึ้นมาให้เขาผู้จักของจริงจริงจริงถ้าหากเขาผู้จักของจริงจริงจริงแล้วไปสอดมันจะง่ายถ้าหากครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่หลวงตาเนนแม่ข่าวแม่ดำฟังนพวาอยู่นี้แล้วจำได้ไปปฏิบัติแล้วไปสอดระบบขาดทิศ ทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้านี้จเจริญมั่นคงเลยนี่แหละคือนิพพานนิพพานคือมันเข้าสูขภาพเดิมมันคือือยังกินข้าวได้เขาก็เคยได้ยินเด้พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วไปปูดพวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าองต่างอย่างที่เขาก็เคยได้ยินนี้แต่ห่างหบูฮุจักแสดงต่อพระนิสสะพระนิสสะนี้ไม่มีเชื่อนไร้คนครับไร้คนหูคนหนักตึง เอาแหละที่ผมได้มางให้ข้อคิดเป็นเครื่องเตือนจิตสกิจใจตอนเช้าวันมีก็เห็นว่าส่งผลกีฬาแรงท้าที่สุดนี้ผมและพระสงฆ์เนธเนนญาติโยมแม่ขาแม่ดำมานั่งของธรรมะยินนสถานที่นี้ผมขออ้างอิงอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคำตั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณของพระตาสาวกพระจำมาสมเด็จเรามาเปลียนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้ประพฤติธปฏิบัติตามจเจริญรอยตามให้บอชได้ไย่างที่พระฤาษีตัดเวานั้นว่าทั้งหลายเราพูดถึงตถาคตไปถึงแลนแห่งนั้นและจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายจงประพฤติธปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ พอจะรู้จกเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราจะทั้งปุตต้แค่รู้ไปแต่แค่เห็นไปแต่แค่ทุ ก, กอ์ทุกมุขอันเห็นนั่นก็เห็นจิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบจิตใจบริสุทธิ์จิตใจปกติเนี่ยคันปกติแล้วก็จิตใจคล่องใสแล้วสามารถมองเห็นกิเลสแล้วว่าเดียวตัวตนนี้จิตใจคล่องใส จิตใจว่องไวบบั น, นี้ยวาสามารถเอาอดีตเอาหนักคุ้มกนันได้เลยมองเห็นอะไรจะวตัวอย่างตัจสินใจลงไปบพชาผิดในพลวัตอย่างไรเจ้าให้เขาเอาจริงเอาจังันขอให้ทุกคนทุกคนจงได้ประสบพบจริงเอาในระยะเวลาอันไกลนี้หรือว่าในชีวิตนี้จงทุกทุกคนเึอนะจ๊ะ